พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของพวกเราแต่ละคนเพราะความสุขสุดสุดก็สุขที่ใจความทุกข์สุดสุด ก็ทุกข์ที่ใจใจสุขใจทุกข์ก็เพราะว่าใจมีธรรมหรือไม่มีธรรมถ้าใจมีธรรมใจก็มีความสุขแบบสุดๆถ้าใจไม่มีธรรมใจก็มีทุกข์แบบสุดๆ ด, ดังนั้นหน้าที่ของพวกเรา ยังอยู่ที่การดูแลรักษาใจด้วยธรรมสร้างธรรมะขึ้นมาเพื่อรักษาใจเพราะถ้าใจมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วใจจะมีความสุขอย่างยิ่งถ้าใจปราศจากธรรมแล้วใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีความทุกข์แบบสุ ด, สด นี่คือเรื่องของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ถึงธรรมชาติของใจว่าอะไรที่จะทำให้ใจมีความสุขและอะไรที่จะทำให้ใจมีความทุกข์สิ่งที่ทำให้ใจมีความทุกข์ พระองค์ก็ส่งคนพบว่าเป็นตันหาความอยากต่างๆคือกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะวิภภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งต่างๆเวภาวะตันหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาและสิ่งที่จะทำให้ใจนั้นเกิดความสุขขึ้นมาก็คือการไม่มีความอยากนี่เอง ไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาและไม่มีวิภวะตัณหาการที่จะทำให้ใจไม่มีตัณหาทั้งสามนี้ได้จำเป็นจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือกำจัดเพราะโดยธรรมชาติของความอยากทั้งสามนี้ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้มันจะไม่หายไปเอง มันจะต้องได้รับการกําจัดเหมือนน้ําเสียมันจะไม่หายเสียมันจะเน่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นถ้าไม่ได้รับการบําบัดสมัยนี้เราจึงต้องมีโรงบําบัดน้ําเสียกันเพราะน้ําของเรานี่มันถูกสิ่งโสโปรกต่างๆเข้าไปผสมเจือปนอยู่นั่นเอง จึงทําให้น้ํากลายเป็นน้ําเสียไปเึงจําเป็นจะต้องบําบัดน้ําก่อนที่จะปล่อยลงไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเช่นแม่น้ําลําคลองหรือทะเลไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไปทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆเช่นแม่น้ําลําคลองอะทะเลนั้น เสียไปด้วยฉันใดใจของพวกเราทุกคนก็เป็นใจที่มีตัณหาความอยากอยู่ในใจทำให้ใจของพวกเรานั้นมีแต่ความทุกข์วุ่นวายใจอยู่ไม่รู้จักหยุดจากย่อนไม่รู้จักจบจากสิ้นและก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไปได้ ด้วยตนเองต้องได้รับการบำบัดเช่นเดียวกับน้ำที่ต้องได้รับการบำบัดสิ่งที่จะบำบัดใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ปราศ จ, จากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สงคนพบ ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติจนทําให้ใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบและได้ทรงปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนานี่เองนี่คือเครื่องบําบัดหรือกําจัดสิ่งกระกรปก ต่างๆคือกา ร, รมตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาให้ออกไปจากใจเมื่อได้ออกไปจากใจแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจสะอาดบริสุทธิ์นี้นำความสุขมาอย่างนำความสุขอย่างยิ่งมาให้แก่ใจก็คือบัลมะสุขที่เรียกว่า ประมังสุขขังนี่เองเกิดจากการได้บำบัดใจได้ทำความสะอาดชำระใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งทานทั้งศีลและภาวนาจนจิตใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์แล้ว เห็นคุณค่าของใจที่สะอาดบอยสุดคือเห็นความสุขอันยิ่งใหญ่เห็นบรมมะสุขที่ปรากฏขึ้นภายในพระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำเอาวิธีการกำจัดตัณหาทั้งสามนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกให้แก่ผู้อื่น ผู้ใดที่มีความศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถกำจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ทำให้ใจมีแต่บรลมัสุข ปราศจากความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ภายในใจปราศจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะต้นเหตุของการมาเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี่เองการว่าตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ได้บรรลุ ผู้ที่ได้บําบัดกําจัดใจบําบัดใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจ <c oughs> ก็นําความรู้อันนี้มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> ผู้ใดที่ได้มาสัมผัสรับรูบ้ คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปนโน mm. uh, ก็จะสามารถรับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราก็คงได้ทราบเกี่ยวกับ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มอย่างเต็มที่จนสามารถกําจัดตัณหาต่างๆให้ออกไปจากใจได้หมดทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ในยุคปัจจุบันเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นพอหลวงปูป่มั่นท่านได้บรรลุแล้วท่านก็สั่งสอนอลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่อมาลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้บรรลุธรรมกันได้ได้บรรลุถึงอภะอาหารหันต์กัน เพราะว่าเวลาที่ท่านตายไปอัฐิของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุกันไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากพวกเราให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจต่อการบำบัดใจให้กำจัด เสียงสกปรกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้มันหมดไปเหมือนกับการบําบัดน้ําเสียถ้าเรามีการบําบัดน้ําเสียนี้ถ้าเราสามารถบําบัดได้ร้อเปอร์ซน้ําเสียนี้เราก็สามารถนำเอามาดื่มรับประทานกันได้อย่างปลอดภยัยอยู่ที่การบําบัดใจของพวกเราจะสะอาดบริสุทธิ์ หรือไม่ก็อยู่ที่การบำบัดใจของเราด้วยทานศีลภาวนาจะได้ความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่การบำบัดของเราว่าเราจะบำบัดในระดับไหนถ้าบำบัดในระดับร้อยเต็มร้อยผลก็จะได้ร้อยเต็มร้อยคือได้ความสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ถ้าบำบัดเพียงร้อยละห้าสิบ ก็จะได้ผลเพียงร้อยละห้าสิบถ้าบําบัดร้อยละสิบก็จะได้ผลร้อยละสิบอันนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นหลักสากลเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักธรรมเป็นความริงเป็นความจริงเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะต้องเป็นไปตามเหตุเสมอผลไม่สามารถเป็นไปต่างจากเหตุได้ ถ้าเหตุน้อยผลก็จะต้องน้อยถ้าเหตุมากผลก็จะต้องมากดังนั้นผู้ปฏิบัติทำเพื่อบำบัดรักษาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็สามารถเลือกระดับของการบำบัดได้ว่าต้องการจะบำบัดใจของตนให้อยู่ในระดับไหน ผลก็คือความสุขในระดับต่างๆอยู่ที่เหตุคือการบำบัดคือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองถ้าทำทานร้อยละสิบรักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบผลก็จะได้ร้อยละสิบคือความสุขก็จะได้ในระดับร้อยละสิถ้าทำมากขึ้น ความสุขก็จะได้มากขึ้นไปตามลาดับความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลาดับอันนี้อยู่ที่การปฏิบัติการบาเพ็ญของผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าต้องการที่จะปฏิบัติในระดับไหน ไม่มีใครที่จะบังคับได้และไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในระดับไหนแต่ทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาจากระดับที่ตนเองมีอยู่ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงสุดได้เหมือนกับการปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะปีนขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้ แต่อยู่ผู้ที่ปีนว่าจะมีความพยายามที่จะปีนกันมากน้อยเพียงไรถ้ามีความพยายามอย่างสุดๆดอย่างเต็มที่ก็จะสามารถปีนขึ้นเขาไปถึงยอดได้แต่ถ้าไม่มีความพยายามอย่างสุดๆุดก็จะไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้อันนี้ อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองที่จะต้องเป็นผู้สร้างความเพียรขึ้นมาสร้างความพยายามขึ้นมาสร้างความอดทนขึ้นมาด้วยการปฏิบัติไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าได้ปฏิบัติถูกวิธี การเจริญก้าวหน้ามันจะตามมาเองปัจจัยที่จะทำให้การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสติเป็นหลักถ้าสติเจริญก้าวหน้าทำต่างๆก็จะเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยถ้าสติไม่ก้าวหน้าทำต่างๆก็จะไม่เจริญก้าวหน้า พอสตินี้เป็นเหมือนหัวห อ, อกหัวห อ, อกจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงโวรให้สำคัญกับการเจริญสติเป็นอย่างมากให้ความสำคัญกับสติเป็นที่หนึ่งส่วนสิ่งต่างๆนั้นเป็นรองลงมาขอให้มีสติ แล้วไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีสติแล้วก็จะถูกกานาจของความอยากต่างๆมาแย่งเชิงใจไปทำให้ใจไม่สามารถบาเพ็ญทานศีลภาวนาได้จะถูกตันหาความอยาก จุดลากให้ไปหาลาภยศสรรเสริญให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัตินั้นจึงควรมุ่งมาที่สติกันเป็นหลักการทำทานการรักษาศีลการภาวนาที่ทำกันอยู่นี้ที่ทำได้ในระดับนี้ ก็เพราะว่าสติมีกำลังเพียงเท่านี้เท่านั้นเองถ้าสติมีกำลังมากขึ้นแล้วการทำทานก็จะมากตามไปการรักษาศีลก็จะรักษาได้มากเพิ่มขึ้นไปการภาวนาก็จะภาวนาได้มากขึ้นไปตามลาดับนี่คือเรื่องของการปฏิบัติรักษาใจต้อง ให้สตินี้เป็นผู้นำสติจะเป็นผู้นำได้ก็ผู้ปฏิบัติจะต้องให้ความสําคัญกับการเจริญสติตลอดเวลานั่นเองสงสอนให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องตั้งสติกันทันทีวิธีจะตั้งสตินี้ก็มีวิธีหลากหลายด้วยกัน เชนพุทธานุสติหรือกายะกะตาสติมีหลากหลายมีสี่สิบวิธีถ้าอยากจะใช้วิธีใดก็สามารถเลือกใช้ได้ซึ่งอาจจะใช้สลับกันไปเปลี่ยนกันไปแล้วแต่วาระโอกาสก็ได้แต่โดยปกติแล้วจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลักแล้วก็วิธีอื่นนี้เอามาใช้ในกรณี ที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เช่นเราปกติอาจจะใช้พุทธานุสติกันคือให้บริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆหรือใช้กายะตาสติเกอเฝ้าดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเกลียบทในทุกการกระทําเพื่อผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไป ตามอารมณ์ต่างๆที่จะทำให้ใจไม่ตั้งมั่นที่จะทำให้ใจไหลไปตามกระแสของตัณหาความอยากต่างๆจาเป็นที่จะต้องมีอะไรฉุดรากเอาไว้ดึงเอาไว้ต้องมีสติเป็นสิ่งที่จะดึงใจไว้เฉะนั้นการจะมีสติก็จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของสติ เช่นพุทธานุสติก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งมีพระพุทธคุณเป็นที่ตั้งหรือมีชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งถ้ามีพุทธคุณก็ลำเลิกถึงพระพุทธคุณด้วยการสาธยายสะท่องบทพุทธ พ, ทพุทธคุณไปเช่นอิติปิโสอาลังสมมาสวากาโตอิติปิโสภะกวา เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติหรือถ้าจะเอาแบบสั้นๆก็พุทโธพุทโธไปอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อที่จะได้ดึงใจไว้ให้ตั้งอยู่ในความสงบเพราะใจที่ตั้งอยู่ในความสงบนี้จะมีความสุขในตัวของมันเอง จะทำให้ไม่ต้องไหลไปตามกระแสของความอยากต่างๆแล้วก็จะสามารถทำให้หยุดความอยากต่างๆได้นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามเพียรสร้างกันขึ้นมาคือพุทธานุสติถ้าถ้าจลิตชอบกับพุทธานุสติก็ใช้พุทธานุสติถ้าจริตชอบกับกายกตาสติ ก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแล้วถ้าเวลามานั่งสมาธินั่งหลับตาก็จะใช้อานาปานาสติก็ได้คือการดูลมหายใจเข้าออกแทนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ตอนนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเวลาที่นั่งหลับตานั่งอยู่เฉย กายก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรก็ต้องดูสิ่งที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็คือลมหายใจเข้าออกก็ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้ดูลมที่ไหยเข้ามาทางจมูกแล้วก็แล้วก็ออกไปทางจมูกที่ปลายจมูกให้เฝ้าจุดจ่ออยู่ตรงจุดเดียว ถ้าใช้อนาปนานสติก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้ดูอยู่ตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกก็พอแล้วก็ไม่ต้องควบคุมบังคับลมให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงของลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบ ลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหรือลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องวิตกไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิพากวิจารว่าลมหายไปแล้วเราจะไม่ตายไปหรือไม่ต้องกลัวไม่ตายถ้ามีสติเฝ้าดูอยู่ให้สักแต่ว่ารู้ไปตามความเป็นจริง ว่ารู้ว่าตอนนี้ลมไม่มีเสียแล้วก็รู้ไปเท่านั้นเองตาบใดมีการรับรู้อยู่นี้จะไม่มีความตาอย่างแน่นอนอย่าไปตกใจเพราะตกใจแล้วจะทำให้เผลอสติขาดสติแล้วการภาวนาก็จะล้มเหลวไปอย่าไปไม่เข้าสู่จุดที่เราต้องการกลับไปก็คือการรวมเป็นหนึ่งของใจที่จะตามมาต่อไป ถ้าไม่มีการตก อ, อกตกใจถ้ามีสติประครับประคองใจให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆรู้กับการไม่มีลมนั่นแหละรู้กับการไม่มีอะไรให้รู้นั่นแหละรู้อยู่อย่างนั้นไปอย่าไปคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วจิตก็จะถอยออกมาแทนที่จะเข้าลึกเข้าไปก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นี่ในกรณีของผู้ที่ ใช้กายกตาสติแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อนาปนาสติเวลานั่งสมาธิถ้าใช้พุทธานุสติก็เวลาเวลานั่งก็สามารถใช้พุทธานุสติต่อไปได้หรือจะเปลี่ยนเป็นอนาปนาสติก็ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดบางท่านก็เลยใช้ทั้งสองอย่างผสมกันเวลานั่งดู ดูลมด้วยแล้วก็พุทธานุสติด้วยคือผสมกันเช่นบริกรรมคำว่าพุทธเวลาหายใจเข้าออเวลาหายใจออกก็บริกรรมว่าโทพุทธเข้าโธออกไปอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดและผลที่ได้รับถ้าได้ผลดีก็ทำไปถ้าไม่ได้ผลดีก็อย่าทำ บางท่านว่ายุ่งยากสับสนบางทีพอเผลอปับ๊บเลยไม่รู้ว่าพุทธเข้าหรือโทออกอันนี้ก็แล้วแต่หรือบางเวลาอยากจะบริกรรมให้เร็วขึ้นให้ถีขึ้นก็จะไม่สามารถทำได้ถ้าผูกใจไว้กับถ้าผูกพุทธโทไว้กับลมเพราะลมนี้มันจะมีจังหวะของมัน จะให้มันเร็วตามมันไม่เร็วตามเพราะว่าบางเวลาเราอาจจะต้องใช้คําบริกรรมช่วยให้นั่งอยู่ให้ผ่านทุกขเวทนาไปเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้ายังพุทธเข้าโคออกอยู่นี้มันจะมีช่องว่างทําให้ตันหาความอยากโผออกมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ ถ้าไม่อยากจะให้มีช่องว่างก็ต้องบริกรรมพุโทโธให้ถีถ้าต้องการบริกรรมพุโทโธให้ถีก็อย่าไปสนใจลมหายใจเลยให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้ถีขึ้นไปเลยเพื่อจะได้ไม่มีช่องว่างให้ตัญหาความอยากโผล่ขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะว่าถ้ามีตัญหาความอยากโผล่ขึ้นมา เช่นอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะขยับร่างกายมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจจะทำให้ทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถปริกรรมให้ถี่ขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มีความอยากโผล่ขึ้นมาใจก็ยังจะสามารถนั่งภาวนาต่อไปได้ และผ่านทุกขเวทนาไปได้เข้าสู่ความสงบได้ด้วยกำลังของการบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่ากำลังของสติทำให้เราสามารถที่จะผ่านทุกขเวทนาไปได้อันนี้ก็เป็นขั้นต้นของการต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่เป็นการต่อสู้ที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นการชนะที่ไม่ถาวร เป็นการเฉพาะเป็นการชนะเฉพาะครั้งไปครั้งต่อไปเวลาเจอทุกเขเวทนาใจก็จะเกิดตัณหาความอยากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากการได้พบกับทุกเขเวทนาให้มันไม่ทุกข์กับไม่ให้ทุกข์กับทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาถ้าถ้ามีสมาธิแล้วถ้าผ่านทุกขเวทนาด้วยสติจนจิตรวมเข้าไปสู่ความสงบได้แล้วครั้งต่อไปนี้ก็สามารถอัดใช้ปัญญาแยกแยะร่างกายออกจากเวทนาแยกแยะใจออกจากเวทนาให้ได้ถ้าแยกแยะว่าใจก็เป็นผู้รู้ ร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจรับรู้เท่านั้นและก็เป็นอนัตตาร่างกายก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาใจก็เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้า ใจพิจารณาแล้วปล่อยวางาทมทั้งสามให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาคือปล่อยให้ธาตุสีอยู่ไปตามเรื่องของธาตุสีปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของเวทน า, าปล่อยให้ผู้รู้เป็นสั์แต่ว่ารู้ไปไม่มีการมาปรุงแต่งว่า เราทุกเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาใจก็จะสักแต่วรู้ได้ก็จะปล่อยวางให้เวทนาแสดงความเป็นเวทนาของเขาได้ปล่อยให้ร่างกายเป็นร่างกายของเขาได้คือปล่อยให้ร่างกายเป็นดินน้ำนมไฟ ปล่อยให้เวทนาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้ปล่อยให้ใจเป็นผู้รู้ได้ให้สัตว์ประโลรู้ได้ถ้าพิจารณาแยกแยะธรรมทั้งสามให้ออกจากการว่าเป็นธรรมมชาติเป็นสิ่งที่เขาไม่มีปัญหาต่อกันผู้ที่มีปัญหาก็คือเอาทั้งเอาสิ่งทั้งสามนี้มาปนกัน มารวมกันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปความอยากให้ร่างกายสบายมันก็จะทำให้เกิดทุกขในอริยสัจสี่เกิดความทุกขทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าแยกแยะได้ด้วยปัญญาว่าทำทั้งสามนี้เป็นอนัตตา ไม่มีเป็นไม่เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเวทนาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใจก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของปล่อยให้เขาเป็นไปตามธาตุเดิมของเขาธรรมชาติเดิมของเขาปล่อยให้เขาเป็นไปสักดาษ ว่าเป็นสักแต่ว่ารู้ไปร่างกายก็สักแต่ว่าเป็นร่างกายเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาใจก็เป็นสักแต่ว่าใจถ้าแยกแยะทำทั้งสามนี้ได้ใจก็จะนิ่งเป็นโอเบกขาปล่อยวางได้จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับทุกขเวทนาอีกต่อไปต่อไปข้างหน้าจะเจอทุกขเวทนาก็จะสักแต่ว่ารู้ จะเฉยๆจะเป็นอุเบกขากับเวทนาจะเป็นอุเบกขากับร่างกายเวลาที่ร่างกายเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายถึงแก่ความตายไปก็จะสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่เป็นวิธีการของการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของทุกขเวทนา และปัญหาของความตายของร่างกายควบคู่กันไปได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นตนนี้ต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะมาแยกแยะธรรมต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีสมาธิพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานี้สังขารความคิดปรุงแต่ง วิชาโมหะมันจะเข้ามาว่าเป็นตัวเราของเราเรากำลังทุกข์เรากำลังเจ็บเรากำลังจะตายก็เกิดตัณหาความอยากไม่เจ็บไม่อยากตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจโดยที่จะไม่สามารถที่จะประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ก็จะต้องไปทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะมา ดับความทุกข์ทรมานใจที่ไม่ใช่เป็นวิธีก็คือไปแก้ที่ร่างกายไปแก้ที่เวทนาแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันแก้ได้เพราะในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปร่างกายที่เจ็บในวันนี้ถ้ารักษาให้หายพุวกนี้มันก็ต้องมาเจ็บใหม่อยู่ดีแล้วก็ต้องมาทุกข์ใหม่ถ้าถ้าไม่แก้ด้วยสมาธิไม่แก้ด้วยปัญญา ไม่แก้ด้วยสติก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาใจได้อย่างถาวรใจก็จะต้องทุกกับมันไปเรื่อยๆไม่สบายวันนี้ก็ไปรักษาให้มันหายความไม่สบายใจก็หายไปกับความไม่สบายของร่างกายแต่พอวันข้างหน้าร่างกายกลับมาไม่สบายใหม่ใจก็กลับมาไม่สบายใหม่แต่ถ้ารักษาด้วยธรรมด้วยปัญญา รักษาจนใจไม่ทุกข์กับความเจ็บความทุกข์ของร่างกายไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาแล้ววันพรุ่งนี้วันข้างหน้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใหม่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใหม่ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะเฉยๆอยู่กับมันไปได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นของมันไป จนกว่ามันจะหายของมันไปเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลง่ทุกเวทนามันจะรุนแรงขนาดไหนยาวนานขนาดไหนในสักวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดมันก็ต้องหมดเช่นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีลมหายใจแล้วทุกเวทนาที่อยู่กับร่างกายมันก็จะหมดสภาพไปตาม ตามการหมดสภาพของร่างกายไปนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องของการเจริญสติเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้แก้ปัญหาของใจก็คือตันหาทั้งสามนี้ถ้าไม่มีสติเป็นหัวห อ, อกแล้วจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งตึกตองแยกแยะด้วยปัญญา ว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเกิดที่ใจเกิดจากตัณหาความอยากพอไม่มีสติแล้วเวลามีปัญหากับเรื่องอะไรก็จะไปแก้ปัญหากับเรื่องนั้นทันทีมีปัญหาที่ร่างกายก็ไปแก้ที่ร่างกายมีปัญหากับใครก็ไปแก้กับคนคนนั้นแก้เท่าไหร่มันก็ไม่มีวันจบเพราะมันมีปัญหาตามมาอยู่เรื่อย แต่ถ้าแก้ที่ใจแล้วมันจบพอปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจคือตัณหาความอยากทั้งสามได้รับการกำจัดแล้วต่อไปเจอปัญหาที่ไหนก็ตามก็จะไม่ไม่มีปัญหากับใจร่างกายมีปัญหาก็จะไม่มีปัญหากับใจคนนั้นคนนี้มีปัญหาก็จะไม่มีปัญหากับใจใจปล่อยวางได้ไม่ต้องไปแก้ที่ร่างกายไม่ต้องไปแก้ที่คนนั้นคนนี้ ร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปใจไม่เดือดร้อนคนนั้นคนนี้จะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปใจไม่เดือดร้อนนี่คืออนิสงส์จากการได้เจริญสติทีนี้เมื่อกี้ได้พูดว่าการเจริญสตินี้เราต้องมีวิธีหลักที่จะเจริญสติเช่นพุทธานุสติหรือกายกตาสติ แต่เวลาที่มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนาการเจริญสติก็ต้องใช้วิธีอื่นเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาก็ต้องใช้เมตตาภาวน า, าเป็นเครื่องมือภาวนาเมตตานี้ก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งให้ใช้เมตตาเพื่อที่จะได้รักษาใจให้มีสติตั้งมั่นอยู่ ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็ต้องรู้จักแผ่เมตตารู้จักระงับความโกรธให้พิจารนาว่ า, เาสเปสัตตาอเวลาโหนตุจงอยามีเวนกับสัตว์ทั้งปวงเราจงอยามีเวนกับสัตว์ทั้งปวงสัตว์นี่ก็หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เช่นสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์หรือเทวดาหรือพู้ดผีปีศาจเราต้องให้ความเมตตาให้อภัยไม่คิดร้ายต่อเขาถ้าเขาทำร้ายเราหรือทำให้เราเสียหายก็ให้อภัยไม่จองเวรถ้ามีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันช่วยเหลือให้ความสุขแก่เขาได้เราก็แบ่งปันให้กับเขาไปให้ความสุขกับเขา อย่าให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นเพราะให้สิ่งใดไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาสู่ตนให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาสู่ตนนี่คือวิธีกําจัดความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทต้องใช้เมตตาถึงจะแก้ได้หรือเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเกิดความ อยากที่จะร่วมหลับนอนเสพการกับผู้อื่นก็ต้องเจริญอสุภะกรรมาฐานเจริญสติเอาอสุภะนี้มาเป็นที่ตั้งของสติดูความไม่สวยงามดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นว่าแยกออกมาพา่าอกพา่าท้องออกมาเพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย หรือจะไปเยี่ยมดูซากศพก็ได้ไปรูโลงพยาบาลไปดูคนตายไปดูการชำระศพต่างๆการชันสูตรศพไปขออนุญาตเขาดูได้แต่เราดูไม่ด้วยดูแบบคนที่เขากําลังชันสูตรคนชันสูตรเขาดูเพื่อหาสาเหตุว่าร่างกายนี้ตายด้วยอะไรแต่เราดูเพื่อจะจดจําภาพ อันไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อเวลาที่เรามีการมาลมเราจะได้ภาพอันไม่สวยไม่งามนี้มาดับการมาลมต่างๆที่มีอยู่ภายในใจอันนี้ก็ต้องใช้ให้มันถูกกับวาระถูกกับการละเทศะเป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นยารักษาโรคเวลาปวดศรีรษะก็ต้องรับประทานยาแก้ปวดศรีรษะยาผู อาการปวดศีรษะก็จะหายไปเวลาเกิดอาการปวดท้องก็ต้องรับประทานยาแก้ปวดท้องอาการปวดท้องถึงจะหายไปเวลาเป็นไข้หวัดก็ต้องรับประทานยารักษาอาการไข้หวัดไข้หวัดถึงจะหายไปฉันใดเวลาที่ใจไม่ปกติใจไม่สบายด้วยตันหาชนิดต่างๆ ก็ต้องใช้สติชนิดต่างๆมาแก้ไขนั่นเองมามามารักษาใจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติพอใจกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็กลับมาเจริญสติแบบเดิมต่อไปถ้าใช้พุทโธก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าใช้กายกตตาสติก็เฝ้าดูลมหายใจต่อไปแล้วก็ หาเวลานั่งเพราะว่าการจเจริญสติในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอยู่มีการกระทําอะไรอยู่นี้จะไม่สามารถทำให้รวมเข้าสู่ความเป็นสมาธิได้จำเป็นจะต้องนั่งหลับตานั่งให้นิ่งๆกายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งตามได้ถ้ากายยังมีการเคลื่อนไหวใจก็ยังต้องมีการกระทําเพราะใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆนั่นเอง ถ้าต้องการหยุดถ้าใจต้องการหยุดทํางานใจก็ต้องหยุดร่างกายก่อนเอาร่างกายมาวางไว้มานั่งเฉยๆแล้วก็หลับตาไม่รับรู้สิ่งต่างๆที่จะไหลผ่านเข้ามาทางตาแล้วก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เข้ามาทางหูหรือทางทวารอื่นๆด้วยการมีใจมีสติจดจ่ออยู่กับ ทำที่เรากำหนดไว้จะเป็นอาณาปณะสติก็ได้ก็ดูลมหายใจเขาออกไปเป็นพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาสมาธิถ้ายังไม่รวมก็อาจจะไปมีความมีอะไรปรากฏให้รับรู้มีปิติมีสุขมีอะไรก็ให้รู้ไปตาม ธรรมชาติว่าเป็นสภาวะธรรมแต่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เราต้องการความว่างเราต้องการสักแต่ว่ารู้เราต้องการอุเบกขาที่จะตามมาหลังจากสิ่งเหล่านี้หายไปหลังจากที่ใจรวมเข้าถึงจุดที่เป็นจุดรวมของใจแล้วสิ่งต่างต่างเหล่านั้นก็จะหายไปเองอย่าไปหลงยึดติดหรือยินดีพอใจกับ ปิติหรือสุขที่ได้รับจากการนั่งสมาธิยังไม่ถึงจุดจุดที่เราต้องการคือจุดที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถ้าจิตเป็นจิตผาดโผนที่จะออกไปรับรู้อะไรก็ให้ดึงกลับเข้ามาด้วยสติอย่าไปส่งอย่าไปตามรู้อย่าตามไปกับจิตไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง กายทิพย์ก็ดีเรื่องของโลกทิพย์ก็ดีเรื่องเรื่องของความรู้อภินญาความสามารถพิเศษต่างๆก็ดีอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับเพียงบางท่านไม่ได้เกิดกับผู้ปฏิบัติทุกคนผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางนี้ก็จะปลอดภัยจะไม่หลงทางแต่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางนี้แล้วไม่มีผู้คอยสอนคอยเตือน ก็จะไปหลงคิดว่าเป็นเป็นผลที่ปรารถนาก็จะไปหลงคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลจะไปหลงคิดว่าตนได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาก็ได้เพราะมีความสามารถพิเศษเหนือผู้อื่นสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้สามารถระลึกถึงอดี ต, ตชาติได้สามารถมีตาที่เห็นสิ่งที่ตาเนื้อธรรมดามองไม่เห็น มีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงที่หูธรรมดาไม่สามารถได้ยินได้แต่ความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ไม่ได้เป็นโลกุตละธรรมเป็นโลกิยาธรรมไม่ได้เป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังเป็นโลกิยะธรรมเป็นธรรมที่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถกาจัดตัญหาความอยากไม่สามารถกาจัด ความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากใจได้แต่จะกลับกลายเป็นเครื่องม้เครื่องมือของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆท่านจึงเรียกว่าเป็นโลกิยะยังทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่เพราะถ้ามีความสามารถความรู้พิเศษเหล่านี้ก็จะเกิดความโลภที่จะใช้ความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้มาหามา หาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางร่างกายต่อไปนั่นเองดังนั้นผู้ที่มีความสามารถในทางนี้เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วไม่ตั้งอยู่ที่ฐานไหลออกมารับรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็ต้องดึงใจกลับเข้ามาด้วยสติดึงกลับเข้ามาให้ตั้งอยู่ที่ฐานให้สักแตวรู้ไป แล้วให้อยู่ที่สักแต่ว่ารู้นั่นไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาเวลาจิตถอนออกมาแล้วตอนนั้นแหละถึงเป็นเวลาที่ควรที่จะหัดเจริญปัญญาได้แล้วหรือว่าถ้ายังไม่ชำนาญเป็นเพียงครั้งแรกก็กลับมาเจริญสติใหม่ก่อนก็ได้เพื่อให้มีสติกำลัง มีสติมีความเข้มแข็งมีความเชี่ยวชาญที่สามารถที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการถ้ายัางยังไม่ชำชองอยังไม่ชำนาญก็พยายามทําให้สมาธิทำให้การเข้าสมาธินี้ช่ำชองทําให้ชํนานาญก่อนยังไม่เต้อรีบร้อนออกไปทางปัญญาแต่พอช่ำชองแล้วสามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้ทุกเวก ทุกครั้งที่ต้องการแล้วต่อไปก็ควรที่จ ะ, จะเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแทนที่จ ะ, จะเจริญสติเพียงอย่างเดียวก็ให้เริ่มจเจริญปัญญาด้วยให้พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามีอะไรก็ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ของเรา พอไม่ช้าก็หลวไม่มันก็เราก็ต้องจากกันไปเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาไปไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ การสรรเสริญเยือนยอยกย่องต่างๆของเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องดับมีพบกันก็ต้องมีวันจากกันให้พิจารณาอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดเวลาที่เกิดการพัดพากจากกันเวลาที่เกิดจากความเสื่อมจะได้ไม่มีความทุกข์ใจ เพราะจะไม่มีความอยากไม่ให้มันเสื่อมหรืออยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรที่มันเสื่อมแล้วมันก็ต้องเสื่อมเช่นร่างกายนี้เมื่อมันเสื่อมแล้วจะให้มันกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ก็ไม่ได้เมื่อมันแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ไปถ้ายังอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญา ที่จะเป็นผู้ที่ดึงใจให้เข้าสู่โลกุตละธรรมคือธรรมที่จะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะตัดตันหาผู้ที่ดึงจิตให้ติดอยู่ในวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่ดึงจิตให้ติดอยู่ในโลกของโลกิยะนี่ส่วนปัญญาคือายรักอนิจจงทุกขังอนัตตา หรืออสุภานี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะดึงใจให้เข้าสู่อรยะทำขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีและขั้นอรหันต์ตามลําดับไปจนถึงขั้นพระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางของ จิตที่มีปัญญาเป็นผู้นําไปดังนั้นเมื่อได้สมาธิแล้วเวลาช่ําชองในสมาธิแล้วเข้าออกในสมาธิได้ทุกครั้งตามที่ต้องการแล้วก็เป็นเวลาที่จะ ต, ต้องมาเจริญปัญญาพิจารณาตายลักษณ์พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งข้างนอกทั้งข้างในว่าเป็นตายลักษ์ทั้งปวงทั้งหมดอย่าเพื่อจะได้ไม่ไปยึดไม่ไปติด พอไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่มีตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นหรืออยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกินนี้ก็จะถูกทำลายไปหมดแล้วการหลุดพ้นของจิตก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับขั้นที่หนึ่งก็ขั้นโสดาบันก็จะเหลือไม่เกินเจดชาติขั้นที่สองสกิราคามีก็เหลือชาติเดียวในการที่จะกลับมาเกิดในกามภพ เกิดในภพของผู้ที่ยังมีการเสพกรรมเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยู่พอถึงขั้นที่สมขั้นพระอนาคามีนี่ก็จะไม่กลับมาเกิดในกรรมภพแล้วจะไปเกิดในพรมโลกรูปภพหรืออรูปภพเนี่ยแล้วก็จะปฏิบัติจเจริญปัญญากำจัดตัณหาที่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้หมดไป แล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอันต์ไปตามลำดับไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการปพบลูประพบและอรูประพบอีกต่อไปนี่คือทมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้วได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงบรรลุถึงแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่จัก์โลกที่ไม่รู้อย่างพวกเราให้รู้ว่า ไม่มีอะไรที่มีความสำคัญแก่ตัวเรามากเท่ากับใจของเราเองเพราะความสุขสุดๆก็อยู่ที่ใจของพวกเราความทุกข์สุดๆก็อยู่ที่ใจของพวกเราและการที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและเข้าถึงความสุขที่สูงสุดก็คือการบาเพ็ญตามคาสอนของพระพุทธเจ้า คือการรักษาใจด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรูนั่นเองก็คือการบําเพ็ญทานศีลภาวนาก็ต้องบําเพ็ญจากระดับที่เรากสามารถบําเพ็ญได้ตอนนี้เราทําทานได้ร้อยละเท่าไหร่ก็ทําไปก่อนรักษาศีลได้ร้อยละเท่าไหร่ก็รักษาไปภาวนาได้ร้อยละเท่าไหร่ก็ภาวนาไปแต่ต้องเป้าต้องตั้งเป้าหมายให้ ให้ถึงให้เต็มร้อยให้ได้เพราะนั่นก็คือผลที่เราต้องการก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้จะเกิดต่อเมื่อเหตุที่เราบำเพ็ญ น, นั้นมันเต็มร้อยทานเต็มร้อยศีลเต็มร้อยภาวนาเต็มร้อยนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พ่อนยะ้าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมปิชตุสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิทิยวิวาจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาฏฐานติ อายุวนโนสา ล, าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่ปิดไมค์แล้วเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามต่อกันต่อไปคำถามจากทางบ้านจากคุณสุทัศผมมีสภาวะจิตที่เกิดความร้อนรุ่มภายในจิตเกิดความวิตกกังวลบางครั้งนอนไม่ได้สาเหตุที่มันเกิดกับผมคือ ปกติผมจะปฏิบัติในด้านสมถาภาวนาพิจารณาในเรื่องของลมเป็นหลักในอาณาปณะสติเป็นส่วนใหญ่แล้วได้ไปปฏิบัติที่วัดเป็นห้องกรรมฐานแคบๆมีสถานที่เดินจงกรมอยู่หน้าห้องโดยให้อยู่แต่ภายในไม่ให้ออกมาเดินภายนอกซึ่งเดิมผมเคยปฏิบัติอยู่กับสภาวะโล่งๆแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่พอให้จิตสบายๆเพียงเท่านั้น หลังกลับมาบ้านอาการดังกล่าวพอนึกถึงก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีบางครั้งพอวิตกอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตตอนนี้จะนอนในห้องแคบๆไม่ได้เลยจึงอยากจะขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อถึงการเยียวยารักษาจิตให้คงสภาพเดิมว่าควรกระทำเช่นไรครับก็ต้องเจริญสติให้มากๆเพราะจิตไม่สงบจิตทุกข์ ตันหาความอยากมันคอยผลักดันปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาทั้งเรื่องที่ชอบและไม่ชอบมันก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคันั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากเพื่อให้ใจว่างให้ใจเย็นให้ใจสงบแล้วก็จะสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้คำถามจากคุณสุขุม ผมนั่งสมาธิอยู่ในห้องสักพักก็โดนตะขาบเข้ามากัดทรมานมากหลังจากนั้นมาพอกลับมานั่งสมาธิมันจะระแวงมากกลัวมันจะมากัดอีกแต่จับมันไปปล่อยแล้วอยากจะขออุบายให้แก้ความกลัวหน่อยครับเพราะตอนนี้นั่งแล้วใจไม่สงบเลยครับเออก็คิดว่าเคยถูกกัดบางครั้งแล้วเราไปกลัวมันทำไมกัดมาครั้งแล้วมันเราก็ผ่านมันได้เราชนะมันแล้ว บรรยากาศอีกครั้งมันก็เหมือนกับครั้งที่แล้วนั่นแหละไปกลัวมันทําไมแล้วไปห้ามมันได้หรือเปล่าเวลาเรานอนหลับทํำไมไม่ไปกลัวมันอะมันจะมาตอนไหนมันก็มาได้ขอให้เราคิดว่าเราผ่านมาแล้วไปกลัวอะไรผ่านมาได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันก็เหมือนเดิมกิเลสตัณหาของเรามันชอบไม่อยากจะเจอความเจ็บนี้นั่นเองถ้าเจิดอย่างนี้มันก็จะทําให้เครียดเกิดให้ทุกข์ไปเปล่า ตยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้จะต้องเจอความเจ็บเป็นธรรมดามันจะเจ็บในรูปแบบไหนมันก็เหมือนกันเจ็บด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บด้วยการหิวน้ําหิวอาหารมันก็เจ็บเหมือนกันดอนแมลงสัตว์กัดต่อยโดนหมอโดนหมอผ่าหมอตัดหมอที่หมอแทงมันก็เจ็บเหมือนกันหมอฟันถอนฟันมันก็เจ็บนะมันอยู่ในโลกของความเจ็บแล้วไปกลัวความเจ็บแล้วมันจะมาอยู่ทําไม ก็จะมาอยู่แบบทุกข์ไปเปล่ า, าถ้าอยากจะอยู่แบบไม่ทุกข์ก็ต้องยอมรับกับความเจ็บอย่าไปอยากไม่ให้เจ็บแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาคำถามจากคุณอัญชาลินเวลานั่งสมาธิพอเริ่มนิ่งจิตละคำบริกรรมจะสปะงกแต่รู้ตัวหมดว่าตัวโยกไปทางไหนแต่ก็จะรู้แค่นั้น ต้องปล่อยไปเพราะทำอะไรไม่ได้จนหมดเวลาที่ตั้งไว้หรือสมาธิเริ่มถอนกลับมาคิดฟุ้งซ่านเริ่มกระสับกระสายจนต้องออกจากสมาธิหรือจนหมดเวลาที่ตั้งไว้ไม่ทราบว่าจะสามารถพัฒนาการทำสมาธิได้อย่างไรคะเพราะอยากจะพัฒนาจนเดินปัญญาได้ในอนาคตค่ะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่ง สติมีกำลังเท่านั้นพอถึงจุดนั้นมันก็หมดกำลังไปถึงสับประกไปหรือ อ, อย่างก็คืออาจจะต้องผ่อนอาหารรับประทานอาหารให้น้อยลงแล้วอาการสับปร ะ, ก, ก, ะ, ก, ประ ก, ก็จะไม่เกิดแล้วสติ ก, ก็จะไม่หายก็ทต้องทำทั้งสองอย่างฝึกสติให้มากขึ้นแล้วก็ลดปริมาณการรับประทานอาหารลงให้น้อยลงไป คำถามจากผู้ฝากถามสมมติว่าเรามีของที่เราชอบกินแล้วเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนรวมคือหนูอยู่บ้านเช่าร่วมกับเพื่อนแต่หนูไม่ได้แปะป้ายแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเพื่อนก็มากินของที่หนูชอบแทบจะทุกครั้งคราวนี้หนูคิดว่าหนูจะแปะป้ายแสดงความเป็นเจ้าของแต่หนูไม่แน่ใจว่าการกระทำของหนูถือว่าหวงของใจแคบหรือเปล่า หรือว่าทางที่ดีหนูควรทำใจปล่อยวางสละของไปไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรถ้าวันไหนเขาไม่กินก็ถือว่าเราโชคดีคิดแบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจคะก็คิดแบบหลังนี่แหละคำถามจากผู้ฝากถามคุณธรรมข้อมักน้อยสันโดษของนักปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนประจำนี้ หมายรวมถึงอาหารที่ชอบหรือไม่ชอบ<ม>ก็ต้องรับประทานเมื่อถึงเวลาโดยไม่สอะแสวงหาของที่เราชอบใช่ไหมคะใช่ถ้าคําว่าสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเขาทําก๋วยเตี๋ยวให้กินวันนี้ก็กินกว๋วยเตี๋ยวเขาทําก็ต้มให้กินวันนี้ก็กินข้าวต้มไปเหมือนอยู่โรงเรียนกินนอนไม่ได้มัอนอยู่ถ้าอยู่บ้านนี่เลือกได้บอกแม่ว่าหนูนี่อยากกินไข่เจียวแต่ถ้าอยู่โรงเรียนกินนอนนี่ไม่มีสิทธิ์เขาจะ ก็จะจัดอาหารตามเมนูของเขาไปแล้วถ้าเลือกทานแต่อาหารที่เราชอบจะถือว่าสันโดษไหมคะอ น, นั่นเรียกว่ากิกเลสตัญหาแล้วช่วงที่หลวงพ่อไปปฏิบัติที่วัดป่า บ, บ้านตาด ห, หลวงพ่อวางใจอย่างไรคะกับอาหารที่ไม่คุ้นเคยอย่างอาหารอีสานอ๋อก่อนไปแล้วก็คุกอาหารกินที่กรุงเทพก่อนแล้วอาหารที่เราได้บินตบานมาคาวหวาน ขนมนมเนยใส่ไปในบาตรคุก ม, มันเข้าไปแล้วก็กินแบบรู้ว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องรวมอยู่ในท้องอพอกินอานแบบนั่นได้แล้วพอไปอยู่ที่อีสานก็กินได้อะไรก็กินได้คำถามจากคุณปาลิดาเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าการภาวนาอยู่นี้ถูกกับจริตของเราถ้าได้ผลดีก็ถูกจริตกับเราถ้าใจสงบเย็นสบาย ไม่พงซานก็ถือว่าถูกเจริญกับเราคำถามจากคุณสิว่าร่างกายของคนเราให้ประโยชน์ต่อจิตเป็นคุณหรือมีบุญคุณต่อจิตให้ให้ปัญญาต่อจิตหรือไม่ครับเ อ, อ่อร่างกายนี้เป็นภาระต่อจิตใจอย่างพรเจ้าทรงตรัสไว้ภาระฮเวปัญจขันธาขันนี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งต่อจิตใจ เพราะจิตใจจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษา เ, เลี้ยงดูร่างกายตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นี่ก็จิตก็ต้องตอนต้นก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูให้ก่อนแต่พอเลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็เป็นภาระของจิตที่จะต้องดูแลร่างกายต่อไปถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาอาบน้าอาบท่าไม่ต้องแปลงวันล้างหน้าทํเเผาทําทผมไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องหายใจ ไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นและถ้าคนเราไม่ใช้ร่างกายปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้เรื่องรู้ล่วงถึงโสดาบัลหรือไม่ครับ อ, อ๋อถ้าตอนที่มีมีร่างกายอยู่ก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้ใช้ ร่างกายแบบไปแบกหามหรือไปทําอะไรเปลี่ยนแต่ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเท่านั้นเองเดิมเป็นใช้ร่างกายเป็นตัวช่วยสร้างสติขึ้นมาแต่ตัวที่สร้างจริงๆก็คือใจแต่ถ้าไม่มีร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถทําอะไรได้ก็ยังสามารถาปฏิบัติทําได้เช่นเวลาเจ็บ่ายได้ป่วยเป็นอมภพเป็นอมภพาสผู้ที่จะ ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก็คือใจและธรรมที่ต้องการสร้างขึ้นมาก็อยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายดังนั้นถึงแม้จะไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพวกเทวดาทั้งหลายนี้เขาก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมกันได้ด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่มีพล า, านุภาพทางด้านจิตใจที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ เขาก็จะมาฟังเทศฟังธรรมจากพาระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเช่นสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นของพวกเราท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่สอนพวกเทวดาได้ครูบาอาจารย์นงตาท่านเล่าประวัติในประวัติว่าตอนกลางคืนเดึกๆนี้จะมีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นเสมอพวกเทวดาก็เป็นพวกที่ไม่มีร่างกายแต่มีใจเหมือนพวกเรา พอดีร่างกายเขาตายไปเขาไปเกิดเป็นเทวดาอย่างพุทธมารดาขอดพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวันก็เสียชีวิตไม่มีร่างกายไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เลยไปติดต่อกับพระพุทธมารดาแล้วก็สอนพุทธมารดาผ่านทางกระแสจิตจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ดังนั้นมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายนี้มันก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญ แต่มีก็ดีอย่างถ้าถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์ถ้ามีก็จะมีโอกาสได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระอาหารหันต์หรือจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคาสอนที่จาลึกไว้ในสื่อต่างๆได้ก็จะมีประโยชน์ใช้ร่างกายในในส่วนนี้ถ้าไม่มีก็ต้องรอถ้าไปเป็นเทวดาก็ต้องไปหาพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านเมตตาโปรดสั่งสอนผ่านทางกระแสจิต ออ่ตอไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในช่วงที่หนูกําลังจะภาวนาเกิดมีความไม่เข้าใจกับเพื่อนพอถึงเวลาภาวนาความคิดเรื่องไม่เข้าใจกับเพื่อนกับพุโทโธมันก็สลับกันวนเวียนในใจหนูตลอดพยายามพิจารณาว่าสิ่งที่ค้างในใจนั้นเป็นไตร ล, ลักษณ์มันก็พอพิจารณาได้สลับกับพุโทโธไปแต่มันก็ไม่เบาไม่โล่ง เพราะกำลังของสติและปัญญาของหนูยังน้อยใช่ไหมคะใช่และการที่เราจะสอนให้ใจเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณามันต้องขึ้นอยู่กับกำลังของสติสมาธิกำลังของอุบเบกขาใช่ไหมคะใช่และถ้าหนูมีกำลังอุบเบกขา หนูจะสามารถวางเฉยกับการกระทําและคําพูดของคนอื่นได้จะทําให้เราไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เขาพูดหรือทำใช่ไหมคะใช่ควรวางใจวางเฉยกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหน้าที่ของหนูคือรักษาใจกับสติเท่านั้นคิดอย่างนี้ถูกไหมคะก็สติด้วยแล้วปัญญาด้วยพอแล้วและ มีใครอยากจะถามอมยูอ่ไหมแถวนี้ตอนนี้มีโอกาสถามได้นะไม่ใช่พอปิดไม้ปั๊บก็จะมาขอถามอ่าเอาอย่างหัวมุมอ่ะหัวมุมด้านหลังขาประจำที่มีคนเคยถามหลวงพ่อว่าผู้รู้เกี่ยวกับผู้รู้เนะะี่ยค่ะว่าว่าจิตผู้รู้มีเกิดมีดับ ยมยมเอาไปเปรียบเทียบกับสภาวะที่ที่เรียกว่าเอโกทิภาวะเป็นเป็นอัปปนาสมาธิระดับชาญนที่สองคือมันเมื่อมีจิตผู้รู้แยกออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ทรงอยู่ตลอดอะไระดับนั้นหรือเปล่าคะถึงเขาถึงที่เรียกว่าจิตผู้ ร, รู้นี่รู้อยู่ตลอดเวลาเพียแต่ว่า ไม่ได้รู้อยู่กับตัวมักจะไปรู้อยู่กับเรื่องอื่น <c oughs> แต่ผู้รู้นี่รู้อยู่ตลอดเวลาไมว่าจะไปรู้กับเรื่องอะไรรู้กับเรื่องของกิเลสรองเรื่องรู้กับเรื่องธรรม <c oughs> ถ้ารู้กับเรื่องของกิเลสก็เป็นทุกข์เป็นวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไปรู้กับเรื่องของธรรมใจก็เยน็นใจก็สงบตัวรู้นี่ไม่มีเกิดไม่มีดับตัวที่เกิดดับเป็นเป็นตัวอารมณ์ที่เกิดที่อยู่ในใจ ด้ตัวที่รับรู้ผ่านทางวิญญาณนี้เกิดดับเกิดดับรับรู้เสียงแล้วพอเสียงหายไปการรับรู้เสียงนั่นก็หายไปด้วยเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะน้ศมสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสทราบอานิสง์ของ การตั้งสัจจะอธิฐานนะคะเพราะว่าเคยสังเกตตัวเองว่าถ้าภาวนาปกติค่ะก็คือจะได้เต็มที่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตั้งสัจจะอธิฐานก็คือสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ได้แล้วก็แต่สิ่งที่ยากที่สุดของการจะตั้งสัจจะอธิฐานแต่ละครั้งคือใจมันไม่ยอมเอ่ยตั้งสัจจะเจ้าค่ะเ <laughs> <laughs> จ้าค่ะ ก็ S <S <an> นั่นแหละมันถึงยากไงเพราะว่าถ้าไม่ตั้งสัจจะมันก็สบายทะเลยทลายได้ดแต่ถ้าพอตั้งสัจจะแล้วก็เหมือนบาเราบังคับตัวเราเองฉันใจมันก็ไม่ชอบบังคับตัวเองนอกจากบางทีมันไฟลนก้นเท่านั้นเหมือนจะบังคับตัวเองเช่นถ้าวันไหนไปเจอความทุกข์มากๆเนี่ก็อาจจะมีะความ ฉันทะวิริยะที่จะมาตั้งสัจจะเพื่อมาบำเพ็ญอย่างนั้น้องพยายามนึกถึงภัยที่จะเข้ามาหาเราคือความตายพยายามเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆไปเยี่ยมดูคนตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยมื่อเช้านี้ไปใส่บาทมาก็บ้านหนึ่งก็บอกว่าลูกเขาอายุห้าสามสี่ขวบนั่งใส่บาทเกือบ ไม่ทุกวันอะ่ะก็เกือบทุกอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเขาก็จะมาใส่บาตรกันแล้วก็มีลูกสองคนคนโตกับคนเล็กอายุไล่เลี่ยกันบางคนหนึ่งอ่อนกอายสักปีหนึ่งวันนี้เหลือคนเดียวแล้วเขาก็บอกว่าคนโตตายไปแล้วว่าไปเข้าโรงพยาบาลติดเชื้ออะไรในปอดหรือในเลือดก็ไม่ทราบห้าวันก็ตา ย, ยาเด็กอายุไม่กี่ขวบสี่ห้าขวบเท่านั้นเองปุ๊บปั๊บก็ตายได้ ไอ้คิดอย่างนี้เราจะได้เห็นภยัย mm hmm. เห็นโทษเราจะ mm hmm. เห็นทุกข์แล้วก็จะทําให้เรานี่มีฉันทะวิริยะที่จะมันปฏิบัติให้มากขึ้น mm hmm. ค่ะแล้วก็ขอโอกาสคําถามสุดท้ายเจ้าค่ะคื อ, เ, อเวลานั่งภาวนาไปอะ่ะมันเจ็บมันปวดคือมันเกิดทุกขเวทนามากแล้วทีเนี้ยคือเหมือนมันเป็นปวดที่สุด แล้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตามดูว่าทำไมมันถึงทุกแล้วเสร็จทีนี้มันก็ไปเห็นจิตที่มันส่งตามเวทนาไปอะค่ะก็เลยเอาตัวที่มันส่งตามเวทนาเอาเข้ามาอยู่ตรงกลางกลางตั้งไว้เป็นกลางๆแล้วก็ก็ก็ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆอค่ะไม่ทราบว่า ก็เ ป, เป็นการใช้สติดึงใจให้ออกจากทุกขเวทนา<ะ>เวลาเกิดทุกขเวทนานี้ตัณหามันจะดึงใจให้ไปที่เวทนาเพื่อจะกาจัดทุกขเวทนาเพราะมีความอยากให้มันหายไปถ้ามันไม่ไม่ปล่อยไม่ดึงมันกลับมามันก็จะทำให้เกิดความอยากให้มันหายแล้วพอเกิดความอยากมันก็จะเกิดความทุกขทรมานใจขึ้นมา ทนอยู่ต่อนทนต่อความความเจ็บนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราดึงใจออกมาด้วยสติให้อยู่ตร ง, งกลางอกหรือตรงที่ว่างไม่ไปสนใจรับรู้อยู่กับความทุกข์ของเวทนาใจก็จะไม่เกิดตันหาความอยากใจก็จะไม่ตึงเครียดใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยพอที่จะอยู่กับความเจ็บได้ทําอย่างนี้ถูกไหมใช่ <c oughs> ใช้บกรรมบริกรรมดึงออกมาก็ได้ถ้าไม่มีกําลั ง, ตงสติเอ่แต่ถ้ามีสติก็ดึงใจออกมาให้อยู่กลงกลาง อ, อย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจกับทุกขเวทนามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะดับก็ปลก็ดับไปมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรอหรือถ้าอยากจะใช้ปัญญาพิจารณาก็พิจารณาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตที่เราจะต้องเจอเป็นหนือนเงาตามตัว เงาวนี้ถ้าเราอยากให้มันไม่ตามเรานี้เราคงจะทุกหน้าดูเพราะเราไปไหนนี่มันตามเราไปทุกแห่งทุกคนนี่เปนเพราะว่าเราไม่ไปอยากให้มันไม่ตามเราเราเลยไม่ทุกกับเงาของเราหรือหูของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีหูแล้วมันดูไม่สวยเราดูดูหน้าแล้วดูหูเราดูเอ๊ะทำไมเราต้องมีหูด้วยโผล่มาสองอันดีว่าทุกคนมีหูเหมือนกันก็เลยไม่มีใครบน่น ถ้าเกิดเรามีหูคนเดียวก็เลยไม่มีนี่เราคงจะทุกข์มาก <c oughs> นะเพรั่นมันอยู่ที่ความอยากของเราก็ยังมันไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนาทุกขเวทนามีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไปเราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นเหมือนเงาที่จะตามตัวเราเราไม่ไปวุ่นวายไปกับมันไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันนั่นนี่คือใช้ปัญญา แล้วต่อไปจะไม่มีความทุกข์กังวลใจกับความเจ็บของร่างกายอีกต่อไปมีใครอยากจะถามอีกไหม mm hmm. เพื่อนเป็นชาวต่างประเทศเชื้อมาจากประเทศไหน Where you come from? ผมเป็นฟินแลนด์ฟินแลนด Nokia Land <laughs> <Yeah>. <laughs> No, k i a b y a b la. o ha, ha, a ha, h So, what you do in Thailand? h uh, I'm with my family. Your family on holiday yes. or working? u h not working. u h I sold my company in uh, Finland, so I'm uh, with my family here. Just, uh, uh, just. Let's see what I'm doing. I see. I don't know yet. Prospecting. Yes. You like Thailand. Yes. I see. Do you want to know anything about Buddhism? Um, uh, one thing uh, I would like to know is um, about creed. Um, uh, people think about uh, the creed is like uh, having more money. Mm -hmm. um, about, uh, I have been thinking that the second. Uh, Uh, stage of greed is the um, having your own time more. Can you speak uh, about uh, having uh, your own time more? More time. Yes. To do more things. Mm, for yourself. Yes. That's one t i m e of uh, greed. t o u e They Understand what I mean? Uh, yes, yes. Yes. Greed can be good and can be bad. If you have greed to look after your body, your life, this is good because you have to look after yourself. But if you want to have more than what you need, then that is bad. If you want to have enough to exist and to to be happy with life, this is good. So you, it depends on how much greed you have. Mm. Buddhism teaches to have just the basic greed to have. Just the for living requisite of life—to have food, shelter, clothing, and medicine, and to and to have the time to find peace of mind. This is the greed that the Buddha said is okay. But to have greed to be rich, to be have more than you can use, you can spend, to have ten houses, ten cars. And this sort of thing, this is uh, bad greed because it will pressure your life. It will make you hard work hard without any real value, because everything that you acquire, soon day you will lose them. Yeah. But the Buddha said you should be greed. You you should be greedy to acquire things that you can keep with you forever. And the things that you can keep with you forever is peace of mind, and this is what the Buddha said. We should be greedy about. We should seek peace of mind as much as possible. And the way to do is is to be charitable, to be morally upright, not hurting other people, and to meditate to keep your mind peaceful and calm, because. A peaceful mind bring real happiness, eternal happiness, because the mind is eternal. The mind doesn't die with the body. The mind has to come back and reborn because the mind has no peace of mind. So it needs the happiness through the body. So when this body die, it has to go look for a new body, so that it can seek more happiness from the body. But once the mind has peace of mind, happiness of it its own, then it doesn't need to have the body. So it i t doesn't have to come back and reborn again, like the mind of the Buddha, and his noble disciples. They all have found, they all have found peace of mind. So they don't need to use the body to find any happiness, because the happiness that h a s e That you have from peace of mind is much better than the happiness that you get from your body. So this is the goal of Buddhism: to seek peace of mind by giving generously the things that you have that you don't need to keep, yeah. and don't hurt other people by word or by action of body, and to meditate, to be alone. Because in order to meditate successfully, you need to be alone. If you live with other people, you tend to socialize. You tend to do activity that uh, block the peace of mind to appear. So this is the the the teaching of the Buddha, and this is the summary of what I said today. Okay. a yeah, Any more question? Uh, not right now. Thank you. Okay. If you want to read my my teaching, I have some books I can give to you. You can come and get it from me later on. Okay. Thank you. มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ